เอาเดี๋ยวศึกษาธรรมะกันต่อนในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้กาก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเมื่อเช้าไปบินทบาทไปเจอร้านในขายขนมที่ก็ตั้งชื่อว่าเนโมก็เลยถามเขาว่าถามเจ้าของร้านว่า ไปเอาตั้งยังไงเราตั้งชื่อร้านแต่เราชื่อร้านมาตั้งเป็นร้านขายของแต่ก็ดีนะที่จริงทางด้านภาษาเนี่ยณโมเนี่ยมันจะคําว่านามะอันนี้เป็นภาษาทีนี้ในคําว่าทวีครอ้อนมันจะคำว่าน้มนังนณโมเนี่ยน้มะคือการนอบนอบ้อมมาจากนามโมทาต อปัจจัยนโมทาตมีองค์ธรรมโดยตรงก็ได้แก่มหากรุสกิตุบาทที่มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยที่มีเจตนาคือความจงใจตั้งใจในการที่จะนอบน้อมด้วยกายวาจาและด้วยจิตใจด้วยความเคารพที่มีปัญญาที่ความรอบรู้ความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นประธาน3มตัวนี่แหละเป็นเป็นประธาน ก็คือตัวมหากุศลจิตุบาบาทพอพูดถึงในเรื่องของมหากุศลจิตตุบาใก็คือจิตที่ไม่มีโทษนืกุศลเนี่ยกุศละในศัพท์นั้นแปลว่าไม่จิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเยี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีมวลทินสภาพจิตที่ไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวเป็นจิตที่สะอาดเยี่ยมอ่องด้วยเป็นจิตที่ไม่มีโรค ก็คือเป็นจิตที่ไม่อ่อนแอ เ, นเป็นจิตที่แข็งแรงมั่นคงตั้งมั่นมีคุณภาพค่อนข้างดีใสสะอาดสว่างเป็นจิตที่ไม่มีโทษเป็นจิตที่มีโรคเป็นจิตที่ไม่มีความเสียอนาโอโรขยะอนาวัชะแล้วก็สุ ข, ขาวิปากาเป็นใบกับความสุขจิตที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขและยังสามารถให้ผลมากขึ้นกว่าตนและก็เป็นเบื้องต้นของฌานอภิน ญ, ญามากผลก็คือมหากุสลทั้งแ เป็นทั้งหมหากุสนยานนสัมปยุตสี่และก็หมหากุสน ญ, ญานวิปยุตส์4เอออย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจดโดยอ้อตัวองค์ธรรมของเขาสภาวะของคําว่านะโมเนี่ยได้แก่ตรงนี้ทีนี้หลายๆคนเวลากล่าวนะ โ, โมนะโมเนี่ยนะแต่ไม่มีเจตนาที่เป็นเบกกุศลไม่มีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้ า, จาเป็นต้นอย่างแท้จริง อย่างเนี้ยมันได้แต่ก่าวเต่ปาก ก, าปาก่าวแต่ปากแล้วก็การกระทําทางกายวาจาเหล่านั้นก็นอบน้อมแต่ข้างนอกไอ้ตัวผักดันข้างหลังไม่มีพลังที่เป็นไปกุศลอย่างแท้จริงอีกในหนึ่งมีรูปวิเคราะห์เป็นกรณะสาธนะมาจากคำว่านัมมันติเอตายาตินมโมเนี่ยนมมะนมมะก็คือเจตนาเป็นเหตุนอบน้อมอันนี้เป็น กัตุถากิริยาของนโมธาตุนมติอ่ะเขาแปลว่าย่อมนอบน้อมหมายถึงกิริยาการนอบน้อมโดยตรงนมตินี่กิริยาที่มีการนอบน้อมทางกายทางวาจาและพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยความนอบน้อมและหมายถึงมหาคุณกิตุวาที่มีศรัทธาความเชื่อมั่นเจรนาคือความจงใจตั้งใจที่ดีปัญญาเป็นประธานซึ่งเกิดขึ้นก่อนก่อนจะที่กิริยาจะนอบน้อม โดยพารูปรจาระก็คือสํานวนที่กล่าวถึงผลแต่แต่มุ่งหมายถึงเหตุผลคือกิริยาที่นอบน้อมพฤติกรรมที่นอบน้อมคําพูดที่นอบน้อมการแสดง ก, รกิริยานอบน้อมออกมาทางกายทางวาจาและพฤติกรรมที่มีการนอบน้อมนี้เป็นผลแต่เหตุคือมหากุศลจิตวาที่เกิดก่อนกิริยาที่นอบน้อมมหากุศลเหล่านั้นที่เกิดก่อนกิริยาที่นอบน้อมก็คือ เจตนาคือความจงใจตั้งใจในการที่จะนอบน้อมด้วยความจริงใจศรัทธาคือความเชื่อมัน่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัยมีสภาพที่แกล้งกล้า ด, ดยมีสภาพที่ผ่องใสด้วยมีสภาพที่เบิกบานล่าเริงด้วยใสยสะอาดด้วยแล้วก็ปัญญาธรรมชาติที่รู้และเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างแท้จริงเข้าใจคุณของพระรัตนตรยัยอย่างแท้จริง อันนี้มหากุศลจิตว่าเนี่ยอันนี้แหละเกิดก่อนนี่เป็นเหตุเป็นตัวผลักดันแห่งการนอบน้อมที่เกิดขึ้นฉะนั้นการณ์ถากริยาของนโมท่าเอตายะก็หมายถึงเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อมการณ์สาธารณะนี่เป็นข้อความที่ปรากฏโดยพรูประจาระพรูก็คือกริยาการนอบน้อมของบุคคลเหตุก็คือมหากุศลจิตตุบบาทที่มีศรัทธาเป็นประธานที่มีเจตนาเป็นประธานที่มีปัญญาเป็นประธานซึ่งเกิดก่อนกริยาที่นอบน้อมนะั้น ที่ใ้ตัวปัจใจเนี่องค์ธรรมเนี่ยนยีหมายถึงเจตนาหมายถึงเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อมซึ่งเนื่องด้วยกัตถะกิริยาและกรณัฐกิริยาเหล่านั้นก็หมายถึงกิริยาที่นอบน้อมกับหมายถึงเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อม2 ส, ส่วนนะมันสัมพันธ์กันนะ เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อมกริยาที่นอบน้อมอะไรเกิดก่อนเจตนาที่นอบน้อมกับกริยาที่นอบน้อมเนี่ยอะไรเกิดก่อนเจต <c oughs> นาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อมเป็นกรณาสาธารณะเป็นข้อความที่ป ร, กปรากฏโดยพระโอปปจาระนี่แหละนั <c oughs> ้นเจตนาที่คิดจะนอบน้อมเกิดก่อนส่วนกริยาที่นอบน้อมเกิดทีหลัง ทีนกิริยาที่เเจตนาที่นอบน้อมบางทีเป็นเจตนาดีก็ได้เป็นเจตนาที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมบางทีเป็นเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาก็ได้เป็นเจตนาที่ไม่เป็นไปกับศรัทธาก็ได้มีไหมบางทีเรานอบน้อมแบบเราไม่ได้มีศรัทธาแต่เรากลัวแล้วนอบน้อมใครก็ได right? ้ใช่ไหมแสดงความเคารพใครก็ได้ด้วยการนอบน้อมใครก็ได้โดยการเห็นแก่ลาบได้ไหมเราหวังประโยชน์ เ, เคยพูดดีพูดจาน่ารักอ่อนน้อมทำตนได้ไหมหวังลาบสกาละก็ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงก็ได้หวังคำเสียงสารเสรินเยินยอก็ได้เออกลัวเขาจะตำหนิกลัวเขาจะว่าก็ได้เออทำไปอย่างนี้เพื่อจะดูดีอ่ะดูดีเนี่ยดูงดงามเนี่ยมองซ้ายมองขวามีคนมองเราก็ทำใหญ่ไ อ, อ้คนเดินผ่านไปผ่านมามากๆนั่งสมาธิเฉย นั้นมหากุสลจิตวบาทดเนี่ยังกล่าวมาหากนำไปพิจารณาตามหลักของเหตุและผลตามหลักหาระเนี่ยจะเห็นได้ว่าสามารถเป็นเหตุแห่งการบรรลุธรรมหรือเป็นเหตุแห่งการเกิดในสุคติพบได้เพื่อมองภาพพดให้ชัดเจนก็แสดงเป็นตัวอย่างก็คือว่าอทัฏฐานนหาระพิจารณาแบบมหาณมัมหา น, ม, หานมัมสกาละโดยการหาเหตุใกล้อะไรเป็นเหตุใกล้ มหากุสลญจดูบาทเนี่ยดังกล่าวเนี่ยเป็นประทัดฐานเป็นประทัดฐานของอะไรมหากุศลที่มีศรัทธามหากุศลที่มีเจตนามหากุศลที่มีปัญญาเป็นประธานที่เป็นญาณ น, น่ะสัมบยศเกิดพร้อมด้วยปัญญาก็ได้เป็นญาณวิปย์บางครั้งมีเจตนาและมีศรัทธาเป็นใหญ่เป็นประธานก็ได้ถามมหากุศัเหล่านั้นเน่ยเป็นประทัดฐานแก่อะไรเป็นเหตุใกล้ของอะไร คนเราเวลามีศรัทธามีเจตนาที่มีปัญญาในการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นจิตจะเป็นยังไงจิตจะผ่องแผ้วไหมจิตจะใสสะอาดและผ่ อ, องแผ้วไอ้ใสสะอาดผ่องแผ้วเหล่านั้นเขาเรียกกลามโมด <c oughs> เห็นไหมจากที่มหากุศัเกิดขึ้นที่มีเจตนามีศรัทธามีปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บก็จะเกิดความผ่องแผ้วขึ้นมาทันที นี่เขาเรียกว่าปราโมดเกิดปลาโมดก็คือสภาพจิตที่อิ่มใจเล็กน้อยเกิดขึ้นปลาโมดผ่องใสสภาพจิตใจนั้นน่ยเริ่มเ อ, อบอิ่มเกิดขึ้นแล้วทีนี้ปลาโมดก็เป็นประฐานแก่อะไรต่อเป็นประฐานแกปีติโอ้โหนี่ปีติเนี่ยเริ่มคนลุกชูชันบางคนเนี่ยวูวูไปตามตัวก็มีเคยเป็นไหม เวลาสัตทานในวรนรณะอะไรปีติแผ่ทราบชันขนลุกชูชันหรือเป็นเหมือนร ะ, ะลอกคลื่นก็ได้หรือเป็นพักๆ ก, ก็ได้หรือโลดโผนก็ได้โอ้โหปีติก็เกิดเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ถูกขับเน้นมาจากอะไรเนี่ยจากเจตนาที่เป็นใบกุบกศลศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาคือความรู้ความเข้าใจของคุณของพระเจ้าแม้เพราะเหตุนั้นพระเจ้ า, พ ร, จาพระองค์นั้นเป็นพระอาหารเป็นผู้กายจากกิเลส ข้าพเจ้าจากนอบน้อมจากบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพข้าพเจ้าเห็นคุณของพระเจ้าว่ามีพระปัญญาคุณมีพระมหากรุณาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์หมดจดจักรีรกกเลสแล้วเนี่ยเห็นอย่างนั้นน่ยเนี่ยจะเกิดความทราบซึ้งก็เป็นปิติปิติก็เลยเป็นประทัดฐานแก่ปัสสัธิปัสสติก็คือผ่อนคลายความผ่อนคลายกายและใจ กายและจิตเนี่ยกายยปัปสัตติจิตตปัสสัตติในความ ส, สงบความผ่อนคลายทั้งกายและจิตทั้งนามากายรูปากายทั้งหลายมีส่วนหมดเลยเนยีทั้งกายที่ส่วนเป็นรูปากายทั้งหลายก็ผ่อนคลายใจก็ผ่อนคลายรู้สึกว่าสงบสงบเย็นมากเนยเนี่ยนะสงบปัสสัตติปัสสัตติก็เป็นวัฏฏฐานแกสุขสมอนั้สุขสมอนั้นก็มีจิตใจที่ร่าเริงนะมีจิตใจที่ ไม่เครียดไม่กุ้มไม่กระด้างนะเป็นสุขสมานัตเกิดขึ้นสุขสมานัตก็เป็นวัฏฐานแก่สมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิตโอ้โหเดี๋นี้ทั้งความเพียรทั้งสติทั้งสมาธิความตั้งมั่นระดับคณิการสมาธิและอุปจารสมาธิก็เกิดขึ้นมีความตั้งมั่นกุ่มนิวรธามทั้งหลายมีการมาชันทะพยาบาทีนะมิท่าอุทธิจากกุกจากวิจิกิจฉาก็ไม่เข้ารบกวนสภาพจิตก็ตั้งมั่น สมาธิก็เลยเป็นประทัดฐานแก่ยถาภูติยา น, นัทสนะคือปัญญาที่รู้เห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นนะเห็นก็ไตรักเลยแต่เนี้ยนะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเป็นเตอรเหล่านี้อันนี้เป็นยถาภูติยา น, นัทสนะยถาภูติยานัทสนักเลยเป็นประทัดฐานแก่นิพพิทายานความเบื่อหน่ายนิพพิทายานก็เลยความเบื่อหน่ายในอะไรเนี่ยเบื่อหน่ายในในกระแสของขันธะแต่ยานะ เบื่อหน่ายในยรูปประขันเวทนาสัญญาสังขารทําไมถึงเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วเป็นเครียดแล้วกลุ้มแล้วทุกนะเบื่อหน่ายเห็นความไม่จรลังยั่งยืนของกระแสขันทานา่าใจยานรูปประขันเนี่ยเกิดดับรวดเร็วยิ่งกว่าฟ้าแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความสุขที่แท้จริงไม่มีสาระของความเที่ยงแท้แน่นอนเลย ไม่มีสาระในการที่จะไปคอนโทรบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจที่เราอยากหรือปรารถนาได้จริงทั้งหมดเหล่านี้เป็นกระบวนธรรมะกระบวนการหนึ่งธรรมะที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปปัจจัยซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยมันได้เหตุปัจจัยเกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็จับโอ้ไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เบื่อห น, นายแล้วไม่ไปหวังในขันอีกต่อไปไม่หวังรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะขันไม่หวังสิ่งที่เนื่องด้วยขันว่าเป็นของเราแล้วมันไม่ไปเห็นแล้มันไม่มีอยู่จริงแล้ว เราก็ไม่มีของของเราจะมีแต่ที่ไหนก็เลยเบื่อหน่ายใจก็น้อมออกจากขันไม่ปรารถนาอยากจะได้รูปเวรนาสัญญาสังขารญาณไม่ปรารถนากระแสชีวิตที่มันเกิดดับสืบต่อแต่จิตก็น้อมออกเบนออกนะหลุดออกจากกระแสชีวิตนั้นก็น้อมไปหาพระนิพพานคือน้อมไปหาพระนิพพานเลยเนี่ยนะ เ, เบื่อหน่ายก็เป็นนิพิท า, านาณก็เป็นประทัดฐานแก่มรรคญาณใจก็น้อมไปในการที่จะกําจัดตราคาโทสโมหะ ที่เป็นเหตุแห่งการยึดติดในกระแสะของชีวิตนะีมรรคยานก็เป็นประฐานแก่ผลลยานโอเสวยผลจากการประหารกิเลสผลลยานก็เลยเป็นประฐานแก่ปัจเจเวขนะยานคือการกลับไปพิจารณาว่ากิเลสที่ละกิเลส ท, ท, ท, ที่เหลือพระนิพพานมรรคผลที่ตนเองได้นิพพานที่เข้าถึงปัจจเวขนะยานก็เป็นประฐานแก่การบรรลุอนุ ป, ปาทาปนานิพพานคือการดับกิเลสและกองทุก ได้อย่างสิ้นเชิงเป็นอนุภาทาปริณิพานเหมือนพระพุทธเจ้านั้นทรงเข้าอนุปาทาปริณิพานเนี่ยจิตก็เลยน้อมไปโอนไปเอ็นไปในพริณิพานอย่างนั้นแหละตรงนี้ก็กล่าวไว้ในพุทธพจน์ในพระวินยัยยปิฎกที่บอกว่าวินโยสังวรัตถายะสังวรโรอวิปติสารัถายะเป็นต้นลายไปตามนั่งวิปติสารโรปาโมชชะถายะเนี่ยวิในเพื่อประโยชน์แก่ความสมบูรณ ความสำเรวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็เพื่อประโยชน์แก่ปราโมทปราโมทก็เพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติก็เพื่อประโยชน์แก่ปัสถานีความผ่อนคลายปัสถานีก็เพื่อประโยชน์แก่สุขสมนัตสุขสมนัตเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิก็เพื่อประโยชน์แก่ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เพื่อประโยชน์แก่ความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายก็เพื่อประโยชน์แก่อริยมรรคอริยมรรคก็เพื่อประโยชน์แก่อริยผลอริยผลก็เพื่อประโยชน์แก่ อนุปาธาปาริญพานนะแค่ปัจจเวคขณายานและเป็นไปเพื่อการดับความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเนี่ยเมื่อเราน้อมรละลึกถึงพุทธคุณบอกว่าพุทธคุณว่าภควโตพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหโตเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอ ง, เองสมัยนั้นจิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะกุมรุม จิตของเธอก็จะไม่ถูกโทสะรบกวนไม่ถูกโมหะรบกวนจิตของเธอก็ย่อมจะปรารบตรงดิ่งถึงพระตถาคตเจ้าดําเนินไปตรงแน่วแน่สู่อารมณ์แห่งสมถกรรมฐานเมื่อไม่มีราคะความกําหนัดโทสะความโกโรธโมหะความมืดบอดมารบกวนนิวรณ์ที่เหมือนจอกแหน่ขุมน้ําอยู่ก็จะค่อยๆ อ, อันตรธานหายไปไม่ว่าจะเป็นการมฉันท่านิวรณ์ความติดใจไฝ่กระสันพยาบาทนิวรณ์ความเครียดความโกโรธ ทีนัมิธา น, นิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยอุทจักกุกุจา น, นิวรณ์ความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉานิวรณ์ความลังเลสงสัยเนี่ยก็จะอันตรธานไปบุคคลนั้นก็จะมีจิตผ่องแผ้วเหมือนสระบกกรณีที่ใสสะอาดปราศจากจอกและเหน่ขนาดนั้นเลยขณะนั้นองค์ชาญมีวิตกวิจารณ์ปิติสุกเอกคตาก็จะเกิดขึ้นกล่าวคือเมื่อทํากรรมฐานปารพบพุทธคุณอยู่จิตอันถูกวิตกยก ขึ้นตรึกในพุทธคุณเป็นอารมณ์แล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกวิจารณ์ก็ทําการพิจารณาอยู่ในเนืองๆเขาคื อ, นอในคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆในบทแห่งพุทธคุณเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปีติความอิ่มใจความเอิบอิ่มใจก็เกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นความกังวลก歪ทางกายทางใจก็สงบลงเมื่อปีติเป็นผลที่เกิดจากปัจสถานีคือความสงบกายและใจนั่นเอง เมื่อความความกลงกวายสงบลงแล้วความสุขทั้งกายและใจก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อสุขสมานัทเกิดขึ้นจิตที่มีพุทธคุณเป็นอารมณ์นั้นก็เป็นสมาธิดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายัติสมิงมหานามาสมัยอาริยสาวโกตะท่าคตังอนุสต ร, รติเนวัสะตัสสมิงสมัยราครับปริยุทธาตังจิตตังโหติเป็นต้นสุขีโนจิตตังสมาธิยติเป็นต้น บอกว่ดูก่อนมหานามาสมัยใดอริยาสาวกย่อมบรรลุถึงพรัฒถาคตเจ้าสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคาบุ้มรุมบรรลุไงแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจักกิเลสแต่สรชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา8ปดจารนะสิเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโรค เป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตัสรุอริยาาสัจจะทําทั้ง4ี่ได้ตามความเป็นจริงเมื่ออริยส า, าว ก, กระลึกอยู่อย่างนี้แล้วจิตก็จะไม่ถูกราคะความกําหนักครอบงําไม่ถูกโทสะครอบงําไม่ถูกโมหะครอบงําจิตของเธอผู้มีสุขตั้งมั่นเสมอแม้โดยปีติที่เกิดขึ้นก็จะมีกําลัง แต่ฌานนี้ไม่ถึงอัปนาฌานนะเป็นอุปจาระฌานเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ก็ได้เหตุที่บอกว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ปรมัตมีสภาวะที่ละเอียดสุ ข, ขุมรุ่มลึกยิ่งนักองค์ฌานทั้ง5มีวิตกวิจารปิติสุขเอกขตาเป็นต้นไม่สามารถตั้งอยู่ในรมนั้นอย่างมั่นคงเป็นอัปนาสมาธิแต่ได้อุปจารสมาธินะมีกำลังแก่กล้าจะสามารถทำอัปนาให้เกิดขึ้นไม่ได้ในกรณีที่อุปมาดังกล่าวมีเปรีย่ยวจะเหมือนเรือ ที่ทอดสมออยู่กลางน้ําลึกเรือไม่อาจจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้เนื่องจากสมอที่ทอดลงไปไม่สามารถจะยังถึงดินได้ฉันั้นโอ้ในพรธคุณเนี่ยนะเวลา ล, ะ ล, ะลึกถึงแม้พ่อเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุพออพทธเจ้าเป็นพาะฐานเป็นผู้ไกลจั ก, กเกลเอษเนี่ยเหมือนเราเอาเรือเข้าไปจอดอยู่ในกลางมหาสมุทรเนะเรือเนี่ยไปจอดอยู่ในมหาสมุทรปุ๊บแล้วก็หยันสมอลงเลยทิ้งสมอตุ่มลง ถามว่าสมอทิ่มถึงดินได้ไหมไม่ถึงในกลางหมหาสมุทรเนี่ยไม่ถึงหรอกลึกมากสมอไม่สามารถจะหย่อนถึงได้ทีนี้พอเมื่อสมอไม่สามารถปักถึงดินได้เรือก็ไม่นิ่งเรือนิ่งได้พอสมควรจากสมอที่ดิ่งลงไปนั่นแหละมันก็แค่ห้อยอยู่อย่างนั้นแหละแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุทาให้เรือนิ่งได้นะไม่ใช่ไม่ได้ เหตุผลก็คือเวลาระลึกถึงคุณพระเจ้าเนะี่ยระลึกยังไงก็ไม่สุดเพราะพระพคุณของพทะเจ้าเนี่ยมากมายนะใครจะสามารถระลึกคุณของพระเจ้าได้ไ ด, ได้ได้ทั้งหมดแล้วไม่มีธรรมดาภาษ า, าว่ของพระเจ้าไม่มีใครสามารถระลึกถึงคุณของพระเจ้าได้หมดหรอกเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเหมือนมหาสมุทรที่ลึกมากใช่ไหมล่ะแต่ว่าระลึกก็ยิ่งเอึดอิ่ม ยิ่งมีความสุขยิ่งปีติยิ่งปัสติทียิ่งสงบยิ่งสุขโสมนัสเกิดขึ้นแต่จิตก็จะไม่ดึงตั้งมั่นเป็นอัปนาสมาธิได้แต่จะเป็นอุปจารสมาธินิวรคือกามาฉันทะนิวนรพยาบาทนิวรัิถีนามิทานินวรันอุทธาจารกุกจานิวรวิจิกิจาร น, นิวรก็สงบได้ระดับหนึ่งจิตเป็นอุปจารสมาธิแนบแน่นใกล้ต่อฌานนจิตแต่ไม่สามารถดึงก็ถึงฌานนจิตได้เพราะเหมือนดังที่ได้กล่าวนะ ที่เรือไปจอดอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยทิ้งสมอลงแล้วเนี่ยสมอไม่สามารถปักถึงดินได้แม้ชั้นใดสภาพจิตของอริยะสาวกที่เราเลื่อนถึงคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ก, ก็ไม่สามารถสุดอย่างนั้นแหละ ระลึกไป20ประบสองขายยิ 0,000 มหากับระลึกถึงพระธานาบรมีศีลบารมีเนคข ม, มารปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเวขาบารมีจะระลึกยังไงให้หมดว่าพระบรมศาสดาทรงบำเป็นทานบารมีมากี่อัถภาพแล้วเนาะทาอะไรมาบ้างน้องเห็นได้บางส่วนจากการได้ยินได้ฟังบ้างหรือถ้ามียานชานาปัญญาก็ระลึกได้เพียกกาลังยันตนเองเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถจะสุดได้เลย ไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกันเองเนีระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะเออคนมีพระพุทธเจ้าโดยกันเองเวลาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีปากอยู่ร้อยปากนะมีปากอยู่ร้อยปากนะแต่ละปากเนี่ยมีมีลิ้นอยู่ร้อยลิ้นแต่ละลิ้นไม่ได้ทํากิจอะไรเลยนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมากับรณนาคุณของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ทํากิจอย่างอื่นแ ล, ะลาา้ะภานาอิทีวิโซว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกลับนี้สิ้นไปแต่คุณของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ยังไม่หมดเลยโอขนาดนั้นเลยใช่ไหมว่าคุณของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเหมือนกับ น, นกแอนลมนั่นแหละบินขึ้นไปสู่อากาศหางและปีกของนกแอ่นลมเนี่ยที่ต้องหางและปีก ท, ที่ถูกถูกอากาศนั่ น, เ, นเป็นส่วนนิดหน่อย ได้อากาศในจักรวาลทั้งสิ้นนั่นคือพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราไม่สามารถจะ ล, ะลึกกันได้เด้จบที่สิ้นนี่แหละคุณของพระพุทธเจ้ามีความละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็มากมายครับคนานับไม่ได้อย่างนั้นและจึงไม่สามารถจะเป็นที่ตั้งแห่งความดิ่งเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นอบานาสชาญได้ได้แค่อุปจาราชาญ น, นั่นคือเหตุผลเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ใช้สมาธิเป็นบาสนะ เป็นประทัดฐานแก่การเจริญวิปัสนาญาณก็สามารถบรรลุวิปัสนาญาณตามลําดับข้ามพ้นความสงสัยในการทั้ง3ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณากราบสัมมาสนาะเป็นต้นอัเนี้ยนะละวิปัสณูปกิเลสมีโอภาษเป็นต้นดังกล่าวแล้วเนี่ยแห่งอุทยพย า, ยานกําหนดปฏิปทาญาณอันพ้นจากออปกิเลส สิบเหล่านั้นแล้วเนี่ยว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางละรูปนามที่เกิดขึ้นเห็นความแตกดับของรูปนามเบือนนายคลายความกําหนัดหลุดพ้นในสังขารทั้งพวงที่ปรากฏโดยการนับว่าเป็นของที่น่ากลัวเพราะเห็นแต่เป็นแต่รูปนามขันห้าในระหว่างขั้นในที่สุดจริงๆก็เพิกสัตว์บุคคลเป็นต้นเห็นแต่กระแสของรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารยานแตกดับอยูต่ตลอดเวลาบรรลุอริยมรรคตามลำดับ ดำรงอยู่ในอาหารผลที่สุดแห่งปัจเวขนาญาณเป็นต้นบรรลุอนุปาธาปริญิภานเป็นทักษิเนยะบุคคลผู้เลศิศนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่ท่านในคำภีวิสุทธิมรักก็จะกล่าวสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าเรื่องอนุสติบอกว่าเมื่อกระยาณบุรุชนระลึกเนืองๆ อ, อยู่ที่พักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจิตก็ย่อมผ่องใสด้วยอํานาจแห่งการระลึกนเนืองๆคมนิวรธรรมด้วยอนุภาพแห่งจิตอันผ่องใสได้เหมือนกัน ปราโมดความอิ่มใจมีกำลังปรากฏเกิดขึ้นเริ่มปราโมดปีติปสัสสธิสุขแล ะ, ะสมาธิและต่อไปก็เดินวิปสัสสนากรรมาฐานก็จะพึงทำให้แจ้งซึ่งอาราธผลได้เหมือนกันเหมือนอย่างพระปุตสาเทวะผู้อยู่ที่กัฏกะอันเะกการะโอระวิหารเป็นต้นกออ็มีเรื่องเล่าเขาไว้ว่าพระปุตสาเทวเทระเนี่ยได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าที่มานเนลมิต มานเนรมิตขึ้นทีนี้ได้ปีติมานพยามานก็เคยเห็นพระริจ้าปรานก็ขอร้องว่าช่วยเนรมิตพระโรคของพระริจ้าหน่อยได้ไั้ยโอ้เนรมิตเป็นพระโรคปพระริจ้าปุ๊บได้ปีติอันมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพระริจ้าเนรมิตยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ก่อนยังสวยงามถึงเพียงนี้ ขนาดมาเนรมิตนคนที่มีราคาโาาะโทสะโมหะเนรมิตพระรูปองบพระเจ้าปรากฏด้วยกำลังเล็กของตอนเองยังงดงามประดับไปด้วยมหาปุริสละขนาด32ประการและอนุพยันชนะ80ถิึงเพียงนี้องค์ของพระผู้มีภาคเจ้าแท้จริงจะสวยงามสักปานใดโน่เพราะพระองค์ทรงปราศจากราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดโดยประการทั้งปวงคันแล้วก็ได้ได้เลย ได้ปราโมทปีติปฏิเสธสุขระสมาธิเพรสมาธิตั้งขึ้นท่านเอาสมา be flawed, be ธิเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณบรรลุเป็นพระอรหันเลยเห็นไหมเนี่ยนอกจากปีติปราโมทที่เกิดขึ้นจากการลึกถึงพุทธคุณดังกล่าวแล้วก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมด้วยปีติที่เกิดภายในใจของผู้ที่ฟังธรรมะแสดงธรรมหรือสอนธรรมะก็เป็นเหตุแห่งการบรรลุได้เช่นเดียวกันนะในข้อความธรรมบทที่บอกว่ายาปเนสะธรรมังกระเถินตัดสะ วาสุนันตัสะวาเป็นต้นบอกว่าปีติที่บังเกิดขึ้นภายในใจของผู้ฟังธรรมปีติที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้แสดงธรรมหรือสอนธรรมะย่อมทําให้เกิดความอิ่มใจเบิกบานใจทําให้น้ําตาไหลหคนลุกชูชันปีติที่มีลักษณะเช่นนี้สามารถทําให้ถึงที่สุดแห่งสังสารวาัฏมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นต้นได้เป็นจุดหมายไดเอาสิเห็นไหมเขาเดินธรรมะได้ขนาดนั้นนะ เคยได้ปิติในกุตรคุณคไหมเวลาไปไหว้ต้นภระีหมาโพเป็นที่ประทับตัดสรุสัมมาสมัมพุธิยานผู้ใได้พิติบ้างหมโอ้นั่นแหละโอ้นั่นแหละเนี่ยพิติตรงนี้พัฒนาไปเป็นปสัสถาเป็นสุขสมาธิสมาธิเป็นประทัด ฐ, ฐานต่อการเดินนิพพานญาณเป็นเหตุแห่งการแทงตลอดอริยสัจแล้วก็พ้นจากวัฏทุกได้เห็นไหมว่านโมเนี่ยองธรรมได้แก่มากรุณจิโรบาทน ในมหากุศลเหล่านั้นมีเจตนาเป็นประธานมีปัญญาเป็นประธานมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรตนาใจเป็นประธานเป็นต้นเหล่านี้ในขณะที่เกิดขึ้นมาสามารถจําแนกเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์เป็นต้นได้ด้วยนะขันเนี่ยในขณะที่เระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นสภาพของดินน้ำไฟลมตั้งหลายกลุ่มนั้นเป็นรูปอาการเนาะตาหัจโบกเล่นกายใจเป็นต้นเหล่านี้ เตกายเนี่ยตาหูจมูกลินกายเป็นกลุ่มรู ป, ปขันส่วนขันนั้นในนั้นก็มีเวทนาเจตสิกที่ในมหากุศลก็เป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกความจําได้หมายรู้ที่อยู่ในมหาคุศลจริวาทีท่ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสุพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็เป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือก็มีปัญญาเนอะมีศรัทธามีเจรณาทั้งหลายเนี่ย ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้ามีสติระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความไม่โลภมีความไม่โกรธในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีสภาพที่เยือกเย็นมีเจตน า, าที่เป็นใบ ก, กุศลและก็มีปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในคุณของพระผู้ทธมีภาคเจ้าในขณะนั้นก็คือกลุ่มสังขาระขันนั่นเองกําลังเกิดขึ้นกุศลและสังขารละขันเกิดขึ้นในการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหากุสรจิตนั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์สรุปก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์กลุ่มนามธรรมเหล่านี้ที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์โอ้แท้ที่จริงก็คือขันธ์ห้านี่นเองเพางั้นจะมีรูปขันธ์เป็นฐานเป็นที่มั่นแล้วก็นามขันธ์ก็เกิดดับสืบต่อในการระลึก มีเจดนาคือความจงใจตั้งใจในการเจระลึกถึงคุณของพระเจ้ามีศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณของพระเจ้ามีปัญญาคือความรอบรู้ความเข้าใจมีสมาธิขันมีสมาธิก็คือความตั้งมั่นในคุณของพระเจ้ามีสติคือการระลึกได้ในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจําได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยเกิดนะระชาติไหนพระองค์เคยทํากิจ กรรมใดๆสติก็ดึงข้อมูลมาให้ปัญญาตรวจสอบฟันวิจัยแยกแยะยิ่งแยกแยะรายละเอียดขนาดไหนก็ยิ่งเห็นคุณของพระธรรมเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมแท้จริงก็กลุ่มขันเหล่านี้เองเป็นไปเนี่ยไม่มีสัตว์บุคคลเป็นผู้ลึกไม่มีเราเป็นผู้ลึกแท้จริงก็กลุ่มนา ม, มาทํากําลังทํากิจในการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเข้าใจขนาดนั้นเนี่ยญาตนะก็ได้สองนะมหากุศลจิตมากุศลจิต8ดวงก็เป็นมานายนาตนะเจสิกที่ประกอบทั้งหมด ก็เป็นธรรมายาตนะธาตุก็ได้สองเองมหากุศนิจแปดก็เป็นมโนยานาธาเจสิกก็เป็นธรรมธาตุนี่ขันอายตนะธาตุอินเซียเวทนาเจดสิกในมหากุสนสมมนัตก็เป็นสมมนัตสินสีเวทนาเจดสิกที่ในมหาคุศสนุเบขาก็เป็นอุเบกขินสีชีวิตตินสีเจดสิกก็เป็นชีวิตตินสีมหากุสลจิต8ดวงก็เป็นมนินทรียศรัทธาเจดสิก เป็นสัตทินรีนะในขณะนั้นมีคุณของพระพุทธเาเป็นอารมณ์ก็มีความเชื่อมัน่นวุฒิญาเจตสิกมีความเพียรแก้วกล้าในการกําจัดบาปหรือเดินกุศลก็เป็นวิริยินทรีย์สติที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นสติินรียเอก ข, ะขะตาเจตสิกคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสมาธินรียปัญญาดีความรอบรู้ความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นปัญญินทรีอ๋อแท้จริงก็คือกลุ่มอินทรีย์ทั้งหลายกําลังเป็นไปอยู่ เออยังเป็นปฏิจจสมบัติทั้งอนุโลมด้วยนะปฏิโ <perk> ล <nationale prayed> มได้ด้วยนะเจตนาเจสิกในหมาขุนศรจิตวาบชื่อว่าสังขารเนาะเหตุของสังขารก็คืออวิชชาสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยนามรูปก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยสรายัตนาก็มีนามรูปเป็นปัจจัยภาษาก็มีสรายัตนาเป็นปัจจัยเวทนาก็มีภาษาเป็นปัจจัย ตัณหาก็มีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยพบก็มีอุปาทานเป็นปัจจัยชาติก็มีพบเป็นปัจจัยชรามราณะโสกะปฤิทุกทุกขตมรณะส า, าอุปายาตก็มีชาตินั่นแหละเป็นปัจจัยนี้ทางด้านของปฏิรอมเป็นใบลักษณะอย่างนี้ถ้าระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจระลึ ก, กว่าโอ้พระพุทธเจ้านั้นมีบุญมากทั้งหลายเหลา่านี้แล้วก็น้อมไปเพื่อให้ได้พบน้อมไปเพื่อเป็นไปในวัตตะ กุศลเหล่าน like <t ND> ี mean, tour, profes, then, ้ข like ้อยตนเองได้พบชาติที่ดีข้อยตนเองได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นการระลึกในลักษณะนี้ที่เป็นมหากุศลเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะความไม่รู้นี่แหละเป็นปัจจัยอวิชาก็เลยเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารก็เลยเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณก็เลยเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปก็เลยเป็นปัจจัยแก่อายตนะอายตนะก็เลยเป็นปัจจัยแก่ภาษาเวทนาสัญญาตนาอปาทานชาติชรามรณะก็เลยเป็นปัจจัยแก่การเกิดไม่ว่าจะเป็นเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ต้องประสบชาติทุกชราทททุุุกกกพิมรณ โสกปริเทวาทุกขโมปนัาสสะและอุปาญาติความเกิดขึ้นอย่งมันแต่ทุกข์ก็มีได้ด้วยประการอย่างนี้เห็นไหมถ้าเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าไม่ชัดเจนแต่ถ้าหากเข้าใจอย่างชัดเจนเป็นสายปฏิโลมปัญญาเจริศในหมากุศลจิตบาชื่อวิชานะวิชชาคือความรู้ความเข้าใจเจตนาเป็นไปกุกสนศรทัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเพราะศรัทธาไปยึดโยงหรือศรัทธาพัฒนาไปความเชื่อมั่นพัฒนาไปยึดโยงก็สู่ปัญญา อย่างรากลึกเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความหวังอะไรในเราพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าถึงอนุปาทานิยิพานเราก็มีความมั่นคงพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเราก็จะฝึกตนเองให้เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตามพระพุทธเจ้าให้ได้พระพุทธเจ้ามีเป็นสัมมาสัมพุทธะตัศรุอยาสศีได้ด้วยตนเองประกาศหลักการ4ประการนี้อริยสัจให้บุคคลอื่นรู้ตามด้วยข้าพเจ้าก็จะฟังพระพุทธเจ้าเพื่อตัศรุอริยาสศีตามพระพุทธเจ้าให้ได้ พระเจ้ามีวิชา8เจรณะสิบห้าเราก็จะทาวิชาและเจรณะให้มีให้เกิดขึ้นในตนให้ได้พระเจ้ารู้แจ้งโลกทั้งสังขารและโลกสัตวโลกโอกาสโลกเราก็จะพัฒนาปัญญาให้เป็นอริยะตามพระเจาเพื่อรู้แจ้งสังขารและโลกสัตวโลกโอกาสโลกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ถ้าลักษณะนี้ก็เรียกวิชาคือปัญญานะเกิดขึ้นเมื่อวิชาคือปัญญาเกิดขึ้นอาวิชาก็ย่อมดับเพราะวิชาดับสังขารก็ดับ เมื่อสังขารดับ <ionar> วิญญาณก็ดับเมื่อวิญญาณดับสังขารก็นามรูปนามรูปดับเพราะวิญญาณดับสราญตนะดับเพราะนามรูปดับพัสสาดับเพราะสราญตนะดับเวทนาดับเพราะพัสสาดับตนาดับเพราะเวทนาดับอุปาทานดับเพราะตันหาดับเพรดับเพราะอุปาทานดับชาติดับเพราะอุปาทานดับชรามรณะโสกาบริเทวะทุกขะโทมนะสะอุปายาตพันธุทุกย่อมดับเพราะชาติดับด้วยประการอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นพิจารณาอย่างเห็นเอออย่างเห็นเลย น, นกรณีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดว่าอ้อแท้จริงๆก็คือขันอยนายตนะท่สัจจะอินทร์ปฏิจจะกำลังดำเนินเป็นไปอยู่แต่เราจะเดินสายเกิดหรือสายดับอา้าวตอนนี้เราเดินสายเกิดหรือสายดับบองสายไหนเดนสายเกิดสายเกิ ด, ก, ดก็ไปหาอะไรอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดอะไรเนี่ยอวิชชาเป็นสมุทัยสัจจานะ สังขารก็เป็นสมุทัยสัจจะอวิญญาณนี่เป็นทุกขสัจจะนามรูปเป็นทุกขสัจจะก็จริงสราญฐานะผัสสะเวทนาเป็นทุกขสัจจะนะตัณหาก็เป็นสมุทัยสัจจะเอาอะไีนี้อุปาทานก็เป็นสมุทัยสัจจะกรรมมภาวะก็เป็นสมุทัยสัจจะชาติชราวรนาโศกาปริเทวทุกขทมนะสาวบ่ายานี่เป็นทุกขสัจจะเนะ โอ้ยแท้จริงถ้าเราเดินสายเกิดอย่างเงี้ยเพราะวิชาเพราะความไม่รู้เนี่ยศึกษาไปก็ไม่ได้รู้ท่องแท้ในคุณของพระทธเจ้าอย่างแท้จริงศึกษาไปเพื่อให้ได้บุญเนี่ยเพื่อให้ได้สุคติโลกสวรรค์นี่เงี้ยเอ้าก็ต้องไปเกิดบ่อยๆไปแก่บ่อยๆไปเจ็บบ่อยๆไปตายบ่อ ย, ยๆอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าสมุทัยสัจเจเกิดก็สร้างมหันตทุกข์อีกเป็นต้นไปใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกนรื่งกิจทีควณกำหนดรู้จริงไหมจริงทุกคนกาหนดรู้หรือเปล่าบมทุกเป็นกิตที ค, ก, ก, หท ก, ค ก, กหนดรู้หมถ้าสมุทนี่นี่รอดเหรอมากอะอริยสต ร, รีใช่หัวใจพุทธศาสนามใช่ไมใช่ วันใจพุทธศาสน์นั้นพุทธเจ้าแสดงทุกข์และความดับทุกข์ทุกข์ก็คือสายของปฏิจจสมุทันสายเกิดเนี่ยสมุทัยก็คือเออไม่ใช่นิโรธแล้วก็สายดับก็นิโรธาวะละนี่นะทุกข์ก็คือเป็นตัวทุกขสัจจะทุกขสัจจะที่นั้คือตัวปัญหาเลยเป็นสิ่งที่เราไม่เอาแต่เรายังไม่ต้องปฏิบัตินะ จริงๆว่าทุกนี่ปฏิบัติกับมันได้ไหมเราปฏิบัติตะทุกได้ไหมเราต้องรู้ให้ชัดว่าอะไรเป็นปัญหาที่เราจะต้องพ้นเลยเขาให้ศึกษาอย่างนี้แต่เป็นหลักปฏิบัติหรือเปล่าทุกเนี่ทุกใช่หลักปฏิบัติไหมบอมเป็นอะไรเป็นตัวปัญหาเลยนะียอะไรคือทุกอะไรคือทุก ขันห้างไงชีวิตกับขันห้าเป็นตัวเดียวกันไหมใช่ไหมอะไรคือชีวิตตาหัวจมูกเล่นกายใจอันนี้เรียกชีวิตไหมตาหัวจมูกเล่นกายใจเนี่ยรูปนามขันห้าทั้งหมดเนี่ยกระแสะชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกชีวิตอันนี้เป็นสัจจะอะไรเนี่ย เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ในตัวมันเองหรือทุกข์ใจที่เราไปรู้ตัวมันเองเป็นทุกข์แต่เราไปรู้รู้ไปเห็นอีกทีแล้วเราไปก้มอีกทีมันคนละเรื่องเลยเนี่ยสมุทยาาาัยยะสัจจะนี่เป็นเหตุของทุกข์แล้วอันนี้ก็ต้องสืบสาวให้รู้ตามหลักความจริงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าอ๋อในทุกข์เกิดจากเหตุเนี่ยเหตุนั้นคืออะไรเหตุนั้นก็รู้ว่าจะต้องกําจัดแต่เรายังไม่ต้องทําอะไรมันก่อนใช่ไหม ต้องกำจัดจริงไหมจริงๆแต่เราต้องไปทาอะไรมันไหมอวิชาสังขารตัณหาอุปาทานกรรมเนี่ยในปฏิจจาเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นสัจจะอะไรสมุทัยสัจจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องไปทำอะไรมันก่ก อ, ไอไนไหมแต่กิจที่เราควรทำกับมันคือน<า>ี่เาเรียกอะไรประหารนะ ก็ควรประหารนอกจากนั้นก็คือนิโรธเมื่อเรากำจัดเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็จะเข้าถึงนิโรธแต่ทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำในข้อสุดท้ายใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยสามอย่างเนี่ยยังไม่สำเร็จก่อนแต่มรรคนี่แหละเนเป็นสิ่งที่ควรทำ ฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยสามอย่างเนี่ยเราเข้าใจว่ามันคืออะไรและเราจะต้องทำอะไรต่อมันแต่เราปฏิบัติต่อมันได้ไม่ได้เราปฏิบัติมันไม่ได้สิ่งที่จะต้องปฏิบัติคือข้อที่สี่ได้แก่มรรคใช่เมื่อปฏิบัติตามมรรคเราก็กาจัดสมุทยัยแก้เหตุแห่งทุกข์ได้เราก็พ้นจากทุกข์หมดปัญหาและเราก็บรรลุนิโรธใช่ เข้าถึงจุดหมายได้เพราะฉะนั้นนะ่มักข้อเดียวนี่สามารถทำให้สำเร็จงานสามประการข้อแรกทุกสมุทัยนิโรดได้ใช่ไหมเป็นอันว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติอยู่ตัวเดียวก็คือมักไอ้สามข้อต้องทำอะไรมันเนะี่ยตอนนี้แหละก็หันกลับมาดูในลักษณะที่บอกว่าทำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของมุส ค, คุพูดเรื่องิทัปปเจยตาปฏิจจาาทเนี่ย พระพาบอกว่าในการก่อนและบัดนี้เราก็บัญญัติทุกและความดับทุกเท่านั้นอันนี้เป็นการพูดถึงอริยสัจสี่ทุกขกสมัมวุธัยนิโรธนะความดับทุกและมรรคทางให้ถึงความดับทุกขก็คือรวมแล้วก็คือมีทั้งหมด2คู่นะทุกขกสมัมวุธัยในคู่กันใช่หมหนึค่คู่นิโรธกับมรรคก็คือคู่หนึ่งเป็นสอง เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าพูดสั้นๆว่าพูดเรื่องทุกพร้อมต้องเหตุของมันในวงเล็บด้วยแล้วก็ทุกก็เหตุถึงทุกแล้วก็มรรคกับนิโรธดวยเวลาพุทธเจ้าแสดงตามพุทธเจ้าแสดงจับประเด็นที่ไหนก่อนทําไมพุทธเจ้าแสดงทุกก่อนจะบอกปัญหาว่ามันน่ากลัว ย, ยังไง ในพะอพูดถึงอริยสัจ ส, สีนี่เป็นสัสจจะเป็นความจริงของพระริยาเจ้าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้านี่แหละท่านไดายานาทัศนะครบ3อย่างในกิจในริยสัจ ส, สีนะีที่บอกว่า3คูณด้วย4เป็น12บสอนีแหละสัสจญานกิจจยานกตายานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหน้าที่ต่อโทษ ก, ก็คือปริญญาก็แปลว่ากำหนดรู้รู้เท่าทันนี่นะต้องรู้จักให้ชัดจับตัวให้ได้ หน้าที่ต่อสมุทัยก็ประหารนะละหรือกำจัดหน้าที่ต่อนิโรธก็คือสัจจิกริยาก็คือทาให้ประจักแจ้งทำให้รู้ถึงหน้าที่ต่อมรักก็คือภาวนาบ่มเพนก็คือปฏิบัติลงมือทำทำให้เกิดทำให้มีขึ้นได้พูทุกขังปริญย่อยยังเนี่ยทุกขังเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทานในทุกเนี่ยภาษาภาก็แปลว่า ก, กหนดรู้ยาตาป ร, ริญญากาหนดรู้ ทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ปริญญายังนี่เป็นคุณศรรพัพท์ถ้าใช้เป็นคํานามก็เป็นปริญญาเห็นไหมปริญญาก็เป็นชื่อของปัญญานี่แหละอย่างเน้นวอมก็ไปรับปริญญามาแล้วนี่ก็จะได้ปริญญาใช่ไปริญญาก็เป็นชื่อกลับปัญญานี่เลยนะปัญญาตัวนี้แหละที่เอาไปกําหนดรอบรู้อะไรรอบรู้ทุกไปละอะไรไปรับสมุทยัยแล้วก็ไปทํานิโรธให้แจ้งกันมา แล้วก็ปัญญาตัวนี้แหละเอาไปเจริญเจริญฝึกฝนในพัฒนาเป็นปริญญาขึ้นมาให้ได้งั้นพวกเราก็ได้ปริญญากันหมดแล้วสิอย่างนี้เราพวกเรารอบรู้ทุกหรือยังได้ใบปริญญามาแล้วลาสมุทรทำนี้โลดใช้แจ้งนี่ยังอบรมบริมรากให้บริบูรณ์นียังสรุปแล้วปริญญานั้นเป็นปริญญาแก้ทุกทางโลกใช่ไหมปริญญาเหล่านั้นเป็นปริญญาหาข้าวกินแก้ทุกได้เหมือนกันไหม ได้ชั่วคราวใช่ไหมเออทาให้ได้ที่อยู่อาศัยเครื่องนมยาอาหารเออปัญญาหาทรัพนี่เองทําให้เราได้ตาข้างหนึ่งทีนี้ปริญญาที่เรารับมาใช่เป็นปัญญาแยกบุญแยกบาปไหมไม่ใช่เลยใช่เป็นปัญญารู้จักกระแสะความเป็นจริงของชีวิตไหมอา้าวไม่รู้อีกไม่ใช่อีกโอยุ่งเลยต่นี้สรุปแล้วต้องมาทําปริญญาในาศาสนาก็คือทํา ทุกขังปริญญาญยังเนี่ยเราจะต้องทําปริญญาข้อนี้ในทุกให้ได้ก่อนใช่ไหมโดยมากก็คือเขาจะเอามาว่าทุกเหมือนโรคสมุทัยก็เหมือนเชื้อโรคนี่รอดก็เหมือนการหายจากโรคมรกก็คือวิธีการที่จะกําจัดจะเข้าถึงการแ ก, ก้รักษาให้หายจากโรคนะ ท ก, ก็คือเรามีหน้าที่รู้จักมันรู้เท่าทันก็เรียกวริญญาเนี่ยเป็นตัวปัญหาเป็นปรากฏการท่านเปรียบเสมือนโรคก็เรื่อ ง, ร, งร่างกายทั้งหมดเล ย, ดยเดี๋ยนี้ท่านนายเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มาเนี่ยไปเรียนเรื่องพวกนี้รู้ไหมว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเชื้อโรคสองกลุ่มกลุ่มที่ดีกับกลุ่มที่ไม่ดีใช่อันไหนมากกว่ากัน นในขณะร่างกายปกติส่วนไหนดีมากมรครับคือมีชที่เรียกว่าอโกาต้องร่างกายมนจะคยกับอในสภาวะที่เราร่างกายปกติร่างกายเราไม่ไดไม่ได้เป็นอะไรมันก็จะยแต่มันมยเีอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงใช่ไหมเออเนี่ยตรงนี้แหละ เวลาเขาเรียนทางนองเดียวกันทุกเนี่ยมันไม่ใช่เรียนเฉพาะแต่ปัญหาถ้าเรามองในด้านของที่พระพุทธเจ้าอุมาตรงเนี้ยที่เหมือนร่างกายที่เป็นที่ตั้งของโรคเนี่ยเวลาเราจะแก้ไขกาจัดโรคเนี่ยเอาก็จริงเรากำจัดโรคไม่ได้เรากำจัดไม่ได้ แต่เราต้องเรียนรู้จากโรคเหมือนหมอจะแก้ไขโรคก็ต้องกำหนดรู้ให้ได้ก่อนว่าเป็นโรคอะไรเป็นณที่ไหนตรงไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นนอกจากต้องรู้โรคแล้วยังต้องรู้ร่างกายมีตีตั้งของโรคด้วยใช่ทำนองเดียวกันเนี่ยในข้อทุกเนี่ยจึงไม่ใช่เรียนเฉพาะปัญหาแต่เรียนชีวิตที่เป็นที่ตั้งของปัญหาด้วยก็หมายความว่าทกก็คือปัญหาเกิดที่ไหนมันเกิด ที่ชีวิตหรือในโลกเนี่ยเราก็ต้องรู้จักโลกและรู้จักชีวิตเหมือนหมอเนี่ยเวลาจะแก้ไขโรคเวลาเริ่มเรียนก็ก็เรียนนู่นเลยกายวิภาคใช่ไหมอนาโตมีเนี่ยแล้วก็ต้องไปเรียนอะไรอีกสรีรวิทยาใช่ไหมแต่นที่จะเริ่มเรียนที่โรค ก, ก็ต้องไปเรียนที่ร่างกายมีตั้งของโรคเออเวลาเช่นเดียวกันเวลาเราจะแก้ไขทุกเราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจชีวิต ตลอดถึงโลกที่เราไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยโอ้โหจะเราต้องไปเรียนรู้อะไรนะเรียนรู้ทั้งรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณนะขันเรียนรู้ตาหูจมูกริ้นกายใจแล้วก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของอตาไปเชื่อมโยงกับสีหูไปเชื่อมโยงกับเสียงยังไงไปสัมพันธ์สัมผัสติดต่อยังไงสื่อเป็นสื่อกับ เสียงจมูกสื่อกับกลิ่นลิ้นสื่อกับรสกายสื่อกับสมวดทพะเย็นร้อนใจก็สื่อกับธรรมารมณทั้งหลายโอ้ไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวเลยเวลาจะเรียนรู้จากทุกเนี่ยนะไอตัวปัญหาเนี่ยเราต้องการอยากจะกําจัดไอ้กิเลสเนี่ยต้องการอยากกําจัดไอ้กิเลส ท, ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์กว่างั้นเถอะแต่ไปเรียนเรื่องกิเลสอย่างเดียวไม่ได้เลยต้องไปเรียนไอ้กิเลสเนี่ยมันอาศัยอะไรเกิดโอ้โหใจนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องเรียนชีวิตทั้งหมดเลยฮนะ ถ้าตัวปัญญาทั้งหลายเนี่ยต้องไปวิจัยกระแสชีวิตทั้งหมดเลยในส่วนของรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันโอ้ในส่วนของตาหูจมูกลิ้นกายใจในส่วนของสีเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์และก็ะทั่มารมทั้งหลายเนี่ยโอ้เรียนรู้ใหญ่โตเลยทีนี้เป็นแผงเลยมาต้องเรียนรู้พวกนี้เพราะอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการของชีวิตโลกโลกและชีวิตเลยแล้วจะหลอกทกคืออะไรเด้อ ก็ต้องไปเรียนรู้ไอ้ตัวกระบวนการของทุกทั้งหมดเห็นไหมตัวปัญหาก่อนไอ้เหตุของปัญหามันคืออะไรพอไปเรียนรู้เรื่องของ เ, ออเนี่ยส่วนของตาหูจมูกริ้นกายใจไปเรียนเรื่องรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องไปวิจัยแยกแยะพวกนี้หมดเลยพอวิจัยแยกแยะสิ่งเหล่านี้แล้วไอ้เนี่ยตาหูจมูกริ้นกายใจไปสัมพันธ์กับสีเสียงกลิ่นรสปวดสะพานแล้วทำอารมณ์ยังไง โอ้เราบรรดาขันห้ากระแสของชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดดับสืบต่อยตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสัมพันธ์กับโลกสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตยังไงโอ้เลยทีนี้ในบรรดากระแสของความคิดเอาเลยเนียมันบรรดากระแสความคิดก็ไปแยกส่วนของรูปขันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นทุกขสัจจะเลยเนี่ยเวทนาขันเนี่ยเป็นทุกขสัจจะสัญญาขันเป็นทุกข์กสัจจะยังไงสังขารขันวิญญาณขันกลุ่มนี้เป็นทุกข์กสัจจะก่อน แต่ในนั้นมันมีอะไรอยู่มีสมุทัยสัจจะอยู่ด้วยอะไรเราก็คัดออกมาโลภะทิฏฐิมานะโมโนี่กลุ่มกิเลสเนี่นอกจากเขาเป็นทุกข์แล้วไม่พอเขายังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไอตัวปัญหาเลยเนี่ยโทสะอิสามัชยริยะโกกุจจาโอ้ไอเนี่ยตัวปัญหาเลยเนี่ยเ น, น, นโมหะหินิกานโนตะปะอุทธะจักความไม่รู้เอยความไม่ละอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปนี่ยโอ้นี่ยนี่ยนะ แล้วก็ความโหดถูดทอถอยไอ้ทีนะมิถะความลังเล ส, สงสัยวิจิกิจฉาโอ้ต้องไปเรียนรู้อวิชาเป็นยังไงตันหาเป็นยังไงอวิชาสังขารตันหาอุปาทานกรรมโอ้โยตัวนี้ตัวเป็นสมุ ท, ทยัยโอ้กระบวนการมันเป็นอย่างนี้เองเออนี่ตัวสมุทยัยสัจจ์เออไม่ใช่เรียนเรื่องสมุทยัยสัจไอ้ตัวสมุทยัยสัจจ์มันสร้างอะไร มันไปเกิดร่วมกันกับกรรมมันก็สร้างโรคประคันเวทนาสัญญาสังขารบัญญัตโอ้มันเหตุของตาหัิใจหัวใจนี่อันนี้มันเหตุของว่าจะทุกแทแท้แล้วมันไม่หยุดด้วยเอาแล้วเริ่มรู้จักมันทั้งสองตัวแล้วรู้รู้ทั้งตัวปัญหารู้ทั้งเหตุของปัญหาใช่ไหมเหมือนหมอนี่แหละว่าเราไปเรียนรู้เรื่องเชื้อโรคและอะไรเป็นที่ตั้งของเชื้อโรคไปรู้รู้จักโรคก่อนพอรู้จักโรคก่อนก็ไปก็ไปรู้จักไอตัวร่างกาย เพรจะเรียนไอ้โรคมันก็เกิดที่ไหนเกิดที่ร่างกายทั้งหมดทั้งอันต้อมีทั้งด้านของสรีรวิทยาทั้งด้านของร่างกายทั้งหมดเนี่ยกายวิภาคและอสรีร ว, วิทยาทั้งหมดต้องดูทั้งหมดเลยใช่ไหมล่ะไอตัวโรคอะโรคมันเกิดจากอะไรเช่นปวดหัวเนี่ยปวดท้องเนี่ยอ้าวแต่เนี่ยเราไปแก้ที่ตัวปวดท้องไปได้ที่ไหนไปดูว่าไอสาเหตุของมันมาจากตรงไหนใช่ไหมมันเกิดมาจากเชื้อตัวไหนมันมาจาก ใช้ชีวิตยังไงไปเจออะเรเนี้โอ้ไปดูสาเหตุเหมือนนู้นเพื่จะแก้ได้อย่างอย่างแท้จริงพอมองออกไหมบอมพมองออกไหมพอเริ่มจะเห็นใช่ไหมว่าเราไปเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียนทั้งรูปขันทั้งเวทนาสัญญาสังการวิญญาณนี่เรียนเป็นกลุ่มก่อนนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นขันห้าปรกเป็นทุกขสัตว์และไอตัวสมุทัยสัจจะก็เป็นอยู่ในขันห้าอยู่กลุ่มไหน สมมทสัสจัจจ์จริงๆแล้วอยู่กลุ่มรูปขันเวทนาสัญญาสังขารเรวิญญาณนะ่ะอยู่กลุ่มไหนบอมอยู่กลุ่มสังขารกลุ่มอยู่อยู่กลุ่มขันไหนสมุทยัยสจัจจ์สังขารละขันใช่ไหกลุ่มสังขารละขันหมดเลยกลุ่มพวกอาวิชาตัณหาอุปาทานทั้งหลายลเหล่านี้เนี่ยไอตัวสมุทยัยสจัจจกลุ่มสังขารละขนันมันก็อยู่ในชีวิตนี่ล หชีวิตเป็นทุกข์สตัวเขาเองเป็นทุกข์ด้วยแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวด้ว ย, วยเอาและสิแต่เนี้รู้แล้วทีนี้ถ้าดับได้หมายความว่าถ้าดับขันโดยไม่ให้เกิดต่อไปได้ไม่สืบต่อไปได้ก็ต้องไอตัวสมุทัยนี่เองที่เป็นตัวทําให้กระแสของชีวิตมันเกิดดับสืบต่อไม่รู้จักจบจากสิน้นเอาลยแล้ววิธีการนี้ก็คือเข้าไปรู้จักมันว่าต้องทําปริญญากับมันยังไงต้งเห็ไหมกำหนดรู้รอบรู้ยังไงเป็นตัว เออตรงนี้ก็คือทุกก็คือความผันแปรบีบคั้นมากระทบกระแทกก็เกิดจากปัญหาของชีวิต เ, เหมือนกับโรคเดิมที่ได้กล่าวนั่นแหละก็คือความแปรพืชประดิษฐ์ผิดปกติของร่างกายวิวัยวะทั้งหลายนี่ก็ว่าไปพอ ร, รู้โรคก็เป็นโรคอะไรก็เจับประเด็นได้นี่เหมืนกันถ้ามองถึงทุกคือตัวปัญหาหสมุทัยก็คือเป็นตัวที่ต้องแก้ไขหรือกําจัดหน้าที่ต่อสมุทัยเรียกว่าประหารนะต่อไปคือกําจัดโรค เราก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะเอาอะไรกำจัดแท้แค่ไหนไอจุดหมายตรงเนี้ยเขาเรียกนิโรธเนาะนิโรธแพทย์กวางแผนรักษาอะไรก็เป็นมรคเลหลักการตรงเนี้ยทุกเนี่ยเป็นผลสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุนิโรธก็เป็นผลมรค ก, ก็เป็นเหตุเนี่ยนะมรค ก, ก็เป็นเหตุั้นเวลาพูด ในฐานะที่เราพอเราศึกษาในเรื่องตรง น, นี้ทุกเรามีหน้าที่แต่มันก็คือปริญญารู้เท่าทันศึกษาเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงจับตัวชัดเพื่อประโยชน์ที่จะแก้ไขสมุทัยก็รู้จักสาเหตุคือผะหะันนะนิโรธก็สัจจิริยาก็บรุ ถ, ถึงจุดหมายมรรคภาวนาตรงนี้ขั้นตอนจริงๆก็คือมาอยู่ตรงมรรคนี่แหละประเด็นก็ตรงนี้แหละที่มันมันมันเป็นปัญหาก็คือว่า บางทีพอพูดในเรื่องของทุกข์เนี่ยไอ้ทุกข์ในไตรลักษณ์กระทุกข์คือความเจ็บปวดเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงเอออย่างเงี้ยตอบชัดเล ย, ย, ชเลยใช่ไหมยี่ทำไมบอมตอบตรงนี้ไม่ได้อะไร ถ้จริงๆเป็นอย่างนั้นนะทุกในตรัยลักนี่เป็นทุกของอะไรนะทุกในตรัยลักนี่เป็นทุกทุกอะไรทุกของขันห้าใช่ไหมถ้าทุกขเวทนาเป็นทุกของอะไรทุกคือความทุกใจอะเป็นทุกของเวทนาใช่ก็อย่างนี้นะ ทุกนี่เป็นสภาพตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วเออตรงเนี้ยที่จริงต้องการบอกให้เราได้เกิดความเข้าใจตรงนี้ก็จะได้เกิดความได้ชัดเจนขึ้นว่าในการเข้าไปเข้าใจในเรื่องของอริยสัจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนาะสิ่งสําคัญแล้วก็การที่เราจะเข้าใจในเรื่องของอริยสัจเป็นต้นได้นั่นก็คือหนึ่งการเสวนาสัตว์ปรุษก็คือการมีกัลยาณมิตร ประการต่อมา้าเกิดสดับฟังสดับธรรมะก็จะเกิดศรัทธาเพราะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะได้เกิดกำลังโยนิโสมนัสิการเมื่อโยนิโสมนศสิการเกิดขึ้นปุ๊บก็จะได้ปฏิบัติถูกหลักก็คือประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรธรมมีพุทธพจน์ที่ระบุองค์ประกอบของข้อโยนิโสมนสิการที่แสดงไว้ในหน้าการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตร ซึ่งให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ศึกษานำไปสู่การรู้เข้าใจประจักษ์โดยตนเองเป็นคำสนทนากันนะพระเจ้ากับมาคันธียะมาคันธียะบอกว่าข้าพระเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระสมณะโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระสมณะโคดมผู้เจริญพอจะทรงช่วยแสดงธรรมให้ข้าพระเจ้ารู้ถึงลุกขึ้นจากอาสนะนี้โดยโดยหายมืดบอดได้ไหม <c oughs> นี่แสดงให้เห็นชัดที่จริงในสูตรเนี้ยเป็นสูตรค่อนข้างยาวนะมาคันธิญาเนี่ยคือมาคันธิญาแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นคนชอบบริโภคกรรมะคุณหมกมุ่นในกรรมนะก็ไปเข้าใจว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยก็คือการสวยกรรมมาสุข เมื่อเราไปหมกมุ่นในการมาสุขแล้วเนี่ยได้สีที่สวยๆเสียงที่เพ้อๆกลิ่นเดี่อมหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆทำมาลมที่น่ายินดีน่าเบื่อเพลินก็แสวงหาประนียิ่งๆขึ้นไปนั่นคือความสุขของมนุษย์ของสัตว์โลกงั้นสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องหาสิ่งเหล่า น, นี้มาปนเปื้อมาบำุงมาเลอตาของหัวใจหัวใจให้มากที่สุดอันไหนที่บ่มเบลอแล้วเบื่อแล้วก็ทิ้งไปหาใหม่ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนั่นคือความสุขพระเจ้าโอ้โหนี่ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะตัณหามันถมไม่เต็ม mm hmm. ก็เลยอุบมาเหมือนคนโลกเรื้อนเนี่ยแหละแทนที่จะไปแก้ให้ถูกจุดเสที่ไหนได้ไปย่างไฟพอย่างไฟไปเสร็จปุ๊บมันมีสเก็ดขึ้นมาก็เกาไอ้ว่าเกาสเก็ดมันก็รู้สึกมันมีความสุขนิดนึงจากการได้เกาแต่เชื้อทั้งหลายเชื้อโรคทั้งหลายไม่ได้ถูกฆ่าไอ้นอนทั้งหลายไอ้ตัวเชื้อโรคทั้งหลายมันก็เจเาะก็ไปข้างในเรื่อยๆหนองก็ไหลออกมาพอไปไปพิงไปอัง ไอสเก็ตมันแห้งก็ใช้เล็บแกะสเก็ตออกมาโอ้มีความสุขจากการได้แกะได้เกาความสุขในด้านของการมาสบมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นความสุขหยาบต้องพึ่งพาไม่เป็นอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงไม่เหมือนกับคนที่ไปรักษาจัดการในตัวเชื้อโรคที่เป็นเหตุให้เป็นเป็นเป็นโรคเนี่ยนะเป็นโรคเกาโรคอะไรพวกนี้เป็นโรคไอตัวเป็นโรคเรือดเนี่ย ถ้าเอาเชื้อโลกออกซะแล้วเนี่ยเนี่ยก็จัดตัวเชื้อโรคซะแล้วเนี่ยต่อไปก็หายหายจากการที่ต้องคันไม่ต้องไปพิงไปอังไม่ต้องไปแก่ไปเกา่าถามว่าไอความสุขจากการหายจากโรคมันมีดีกว่าการที่ไปพิงไปอังเออเนี่ยก็พูดงี้ยแล้วต่อไปโอ้ยังรู้ตัวเองว่าตนเอ ง, เองมืดนี่บอร์ดนี่ก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้าเขาฟังคําสอนพระเจ้าพวกก็เรื่อมใสพระเจ้าเป็นพระอทหารเป็นผู้กายใจเกเรตระศรัชอบได้ด้วย อ, องค์เองยังพูดถึงพร้อมได้วิชามีวิชา8ปดมิจระนาสิภาเป็นตน้นโอ้อยากจะได้ วิชาอยากจะได้ปัญญาขึ้นมาก็เลยเข้าเฝ้าพระพทเจ้าท่านบอกว่าบอกว่าข้าพระเจ้าเลื่อมใสท่านเรียบร้อยไปแล้วแม้พอเห็นนั่นเป็นต้นชัดเจนแล้วก็เลยบอกว่าท่านพระโคโดมผู้จเจริญพอจะช่วยแสดงทมให้ข้าพระเจ้าลุกจากอาสนะนี้โดยการหายมืดบอดก็คือหายจากความบอดความหลงความโง่ได้ไหมาะงั้นเถอะ ไม่เวลาเราจะฟังทำหรือจะไปไหนที่ไหนเนี่ยมันต้องตั้งหลักแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยพอลุกจากอาสนะนี้มันพอจะหายจากความบอดความหลงความโง่เนี่ยไหมพระรัชกาลท่าอย่างนั้นมาคันดิยะท่านพึงคร บ, ร, บรุษทั้งหลายเออบอกเลยเนี่ย ว, วิธีการที่จะทําให้หายจากความบอดความโง่เนี่ยให้ไปคร บ, รบรุษได้บอกมาแล้วใช่ไหมคุณสมบัติของสรบรุ่นคุณคุณสมบัติของคนดีทั้งหลายคนคุณสมบัติของกาลยานามิตร เมื่อท่านคบหาสัตว์บูรุษแล้วท่านจักได้สดับพสัสสธรรมใช่ไหมใช่เราไปคบสัตว์บูรุษแล้วต้องได้ฟังธรรมไหมเมื่อท่านได้สดัตบพสัสสธรรมแล้วท่านก็จะปฏิบัติธรรมะถูกหลักเมื่อปฏิบัติธรรมะถูกหลักแล้วท่านก็จะรู้จักเองได้เองทีเดียวว่าโรคทางจิตเนี่ยผีร้ายเนี่ยในใจเนี่ยสอนที่คอยทิ่มแทงใจเหล่านี้เหล่านี้โรคก็ผีร้ายสอน ทีมแทงใจจะดับไปได้นะที่ไหนก็คือเมื่ออุปาทานของเรานั้นดับไปพพก็จะดับเมื่อพบดับชาติก็จะดับเมื่อชาติดับชรามรณะก็ดับเมื่อชรามารณะดับโสกับฤทธิเทวทุกขโทมนะสอวพระญาติก็ดับความข่ำความโศความข่ำร่ำไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแคบขับแคนใจก็จะดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าแสดงว่าอการเสวนากัด การครบสัตว์ปรุษหรือกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเหตุทําให้เราได้สดัตดธรรมะเมื่อเราสัตดธรรมะแล้วเนี่ยเป็นเหตุทําให้เราใกล้ศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วจะเป็นปจัจจัยเก่โยนิสงมรณสิกาเกียรตโยนิสงฆ์มรสิการเกิดขึ้นเป็นปจัจจัยเราเข้าถึงปฏิบัติตามศีลได้ใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาที่ถูกหลักอะไรแตนี้เมื่อดําเนินกระแสชีวิตตามศีลสมาธิปัญญาได้ยดย อ, อดตตญญดย่างถูกหลักไปแล้วแตนี้ศีลก็กําจัดโทสะสมาธิก็กําจัดโลภะปัญญาก็กําจัดโมหะ เดินศีลสมาธิปัญญาอย่างติดต่อและต่อเนื่องดําเนินตามมรรคในที่สุดจริงๆก็บรรลุอนุปาทาปรินิพานได้ความโศกความร่ําไรความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็จะดับด้วยอาการอย่างนี้สรุปแล้วก็คือท่านพูดถึงการครบสัตว์บุรุษการสดับฟังการเกิดศรัทธาการทําโยนิโสมนัสิการที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตระธรธรมคือปฏิบัติธรรมะถูกหลักนั่นเอง อีกสูตรหนึ่งบอกโทตกะมนุกข้าแต่พระองค์พบ ม, มีพระปัญญาจากสุขรอบด้านข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการข้าแต่พระสากยะข อ, กขอให้โปรดปลดปล่อยข้าพระองค์จากข้อสงสัยทั้งหลายได้เถิดเออตรงนี้ความสงสัยก็เป็นคอกทิฏฐิก็เป็นคอกบอมเวลาไปเฝ้าพระเจ้า เลาไปไหว้ต้นปสีมาโพไปไหว้พระเจดีแล้วไปทไําไงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าปลดปล่อยข้าพเจ้าออกจากมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นหรือไอ้ความตีบตันจากความคิดที่ผิดที่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่สามารถออกจากมันได้เลยเพราะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะปลดปลื้มข้าพเจ้านะให้ออกจากความเห็นที่ผิดออกจากทิฏฐิออกจากความรังเลสงสยัย ขอให้พุทธิยานี่เหมือนกั น, หนไหมท่านเขาว่าเข้าใจท่านโทตากามาน์บอกว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาจากสู่รอบด้านข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระสาคยะขอให้โปรดขอได้โปรดปลดปล่อยข้าพระองค์ออกจากข้อสงสัยทั้งหลายได้เถอะก็มันมันความสงสัยเป็นคอกนะวิจิกิจฉาเนี่ยตัวนี้เขาเรียกโมมูฮ uh ิต จิตที่หลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากอติสยะเนี่ยหลงยกกําลังสองมันมันหลงจนสงสัยจนไม่สามารถทําให้ตัวเองดําเนินไปทําตามมรรคมันก็กังขาตัวเองอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่จะสึกคยเยเคยไหมออกไปไม่ออกไปลังเลยไหมนี่ยังไงขอพระพุทธเจ้าเนี่ยปลดปล่อยข้าพเจ้าเนี่ยออกจากอิจฉายความลังเลสงสัยมันไม่มั่นใจเลย จะดึงลงไปในพราราธนาตายจริงๆก็ยังคลากสังสงสัยไหวหรือไม่ไหวเลยเป็นไม่เป็นเน้นต่อไปเวลาไปกราบพระพุทธเจ้าก็ให้ไปอัลาธนาประกาศหลักการของตนเองว่าขอให้พระพุทธเจ้าปลดปล่อยพระพเจ้าออกจากวิจญากิจฉาคือความรังเลสงสัยความมืดบอดเออมันเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนน้ําที่มีโคตรลมโคตรลม ใช่ไหมอยู่ในภาชนะหยุดโคนตมตั้งอยู่ในที่มืดดูสิเราจะเห็นเงาหน้าเราไหมมันไปส่องดูไปยังไงชะงกหน้าไงก็ไม่เห็นหนึ่งน้ำมันมีโคนตมเต็มไปหมดด้วยแล้วดันไปตั้งไว้ในที่พืชนี่เหมือนกันไอ้วิจิกิจฉาเนี่ยในชีวิตเนี่ยไม่เข้าใจกระบวนการความเป็นไปของชีวิตอย่างแท้จริงมันก็สงสัยอยู่นี่แหละลังเลไม่กล้า ไม่กล้าที่จะพันตัวเองเข้าไปหาพระรณาไตรจริงๆไม่กล้าจะดําเนินชีวิตไปตามศีลสมาธิปัญญาอย่างจริงมันก็นี่แหละลังเลอยู่อย่างนี้แหละชีวิตน่ยว่าไงจะเอายังไงจะเอายังไงอยู่อย่างเงี้ยมันจะไปยังไงไปเจอทางอยี้อยู่อย่างเงี้ยเลยไม่ไปสักทีเลยเข้าไปทางนี้หน่อยกลับมาทางนี้หน่อยเข้าไปทางนี้หน่อยกลับไปทางนี้หน่อยแล้วอยู่อย่างเงี้ยชีวิตเป็นเหมือนการมาคุณก็จะไปใช่ไหมจะวิ่งเข้าไปหากามวิ่งเข้าหาอัตากิรัตมาฐานโยโย กลับก็จะไปมัชฌิมาปฏิปทาจะไปยังไงเนี่ยตกลงเราจะไปมัชฌิมาปฏิปทาหรือจะไปก า, มารมรสการลิการุโยกหรืออัตตะกิลมทานุโยกเอาอยังไงเนี่ยใครเราจะปลดเปลื้องเราได้พระพุทธเจ้านี่แหละจะปลดเปลื้องเราได้ปัญญาในของพระองค์นี่แหละงั้นฟังทำให้เข้าใจแล้วบอกค อ, อยพระพุทธเจ้าปลดเปลื้องข้าพเจ้าออกจากวิจิจฉาด้วยเถิดเนี่ยทำอย่างท่านโทโทตะการมานพเนี่ยนะเอา ป, ประเด็นนี้ไปใช้ และวพุเจ้าดูก่อนโทตอกาศเราไม่สามารถปลดปล่อยใครในโลกผู้ยังมีความสงสัยอยู่ให้พ้นไปได้พุทธเจาบอกว่าไม่ได้เห็แต่เมื่อท่านรู้ซึง้งรู้ชัดซึง้งทำมันประเสรศิฐท่านก็จะข้ามห่วงแห่งกิเลสไปได้เองเออเอะไรคือพระพุทเจ้าไม่สามารถแต่ว่าพระพุทจ้าบอกวิธีได้ใช่ไหม แต่ท่านจะต้องลงมือทําเองลงมือฝึกงลงลงมือประพฤติปฏิบัติเองใช่ไหมแต่พุทธิยถาบอกข้อมูลได้ไหมชี้ทางได้ไหมชี้ได้เอออย่าในตรงนี้อย่าเดินตรงนี้อย่าเดินแต่ให้เดินมาชิมาปฏิปทาเอาถ้ายังสงสัยฟังข้อมูลไปเรื่อยๆฟังฟังฟังฟังอะในส่วนจริงจะทําลายความสงสยัยถ้บอกว่าดูก่อนโทษกะเราไม่สามารถปลดปล่อยใครๆในโลกผู้ยังมีความสงสัยอยู่ให้พ้นไปได้ แต่เมื่อท่านรู้ชัดซึ่งธรรมะอันประเสริฐอะไรคือธรรมอันประเสริฐก็คืออริยสัจสี่ะท่านก็จะข้ามห่วงแห่งกิเลสไปได้เองในเมื่ออิสรภาพของผู้ศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญและในการที่มีการยานมิตรได้กําหนดหน้าทิ้งตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วก็ย่อมต้องถึงการทําหน้าที่ของตัวผู้ศึกษาเอ ง, องพวกเราเนี่ยนะเพื่อให้ได้ซึ่งอิสรภาพของตัวนี้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ดังนั้นพระเจ้าก็ได้ที่ได้ทรงทําหน้าที่ด้านหนึ่งของกัลยาณมิตรก็คือการแนะนํากระตุ้นเตือในให้ผู้ศึกษาทําหน้าที่ขงตนให้ดีพระพเจ้าบอกว่าการเกี่ยวการฟังการสนทนาการปรึกษาสอบถามเป็นอะไรมากอย่างเช่นพิกษุ์ทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะหประการนี้เมื่อฟังพระสัตธรรมย่อมเป็นไปได้ที่จะย่างลงสู่นิยามคือความถูกชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย5ประการคืออะไรบ้างหนึ่ง ไม่นึกดูหมินเรื่องที่เขาพูดโอ้นี่สำคัญมากเคยไหมเวลาไปฟังเรื่องเลยโอเรื่องนี้ฟังแล้วเคยมเคยหมินไหมเคยไม่เคยไอความรู้สึกอย่างเงี้ยฟังมาแล้วซ้ำเคยไหมเอออย่างเงี้ยจิตอย่างนี้อย่าให้เกิดมันเป็นตอเป็นหนามเป็นการดูหมินเป็นมานะเป็นทิ่ฐิมองไหมอย่าดูหมิน ไม่ไม่นึกด้วสองไม่นึกหมิ่นผู้พูดโอ้โหคนเขากําลังแสดงธรรมอยู่ด้วยใจที่เป็นกุศลแล้วไปมิ่นขึ้นมามีในเรื่องในราวขึ้นมาไปแล้วนั่นเดยวกุศลเกินไหมไปแล้วสไม่หมิ่นตนเองไม่นึกมิ่นตนเองอามินตนเองก็มินยังไงบอกอามินยังไงอามินยังไงเราคงไม่เข้าใจแล้วเราคงฝึกไม่ได้แล้วแล้วเบื่อ เราง่วงเราทำไม่ได้บ่อยัหยแบบนี้เราคงเป็นพระเน้นที่ดีไม่ไ้ยแล้วเคยเป็นไหมเคยมีนไหมเคยมป ค, ความรู้สึกแบบนี้เราก็ได้ของเราแค่นี้จะให้มากไปกว่า น, นี้ไม่เอามีไม่มีอย่างเนี้ยเป็นการเหมือนพระริยาบอกต้องระวังไอ้ธรรมะไอ้บุคคลประกอบได้ทําห้าประการเนี่ย แต่ถ้าหากว่าไม่นึกดูหมินตัวเองประการที่สี่ก็คือใจไม่ฟุ้งซ่านฟังธรรมโดยมีจิตหนึ่งเดียวอันนี้สำคัญมากเวาฟังธรรมเนี่ยใจต้องฟุ้งไหมเวลาฟังจิตฟุ้งหรือไม่ฟุง้งแลาต้องมั่นคงตั้งมั่นเราต้องการฟังเอาเนื้อหาสาระจริงจริงเนี่ยจิตไม่ฟุ้งประการต่อมาคือมนสการโดยแยบ้ายก็คือโยนิสโวมณสการ ตัวโยนิสมนัสการเนี่ยเป็นตัวการนำทำหน้าที่ทางปัญญาที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจแต่โยนิสมนสิการนี่ยไม่ใช่เฉพาะในการฟังธรรมเนื้อืออธิบายทังหากเป็นธรรมะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตทุกเวลาทุกส่วนด้วยในการรับรู้ในการไปเชิญกับสถานการณ์ในการสัมพันธ์เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายทุกกรณีด้วยนั้นตัวโยนิสมนัิการเนี่ยเป็นตัวหลักเลยทั้งหมดเหล่านี้ทั้งการขับเน้นตัวโยนิสมนัสการ แต่การที่จะยุติเรื่องปรตโขโสะก็ควรกล่าวถึงเรื่องศรัทธาตรงนี้ท่านสรุปตั้่องศรัทธาไว้ดีนะเดี๋ยวอธิบายตึงนี้นิดนึงโดยสรุปนะศรัทธาโอ้ศรัทธานี่เคยพูดไปทียัเคยอธิบายไปครั้งแล้วมั้งเคยยังลักษณะของศรัทธาเคยยังยังจำได้เยอะไหมอาศัทธาไปวะศรัทธา อธิบายช่วยอธิบายศรัทธาหน่ยเคยอธิบายไปแล้วนะเข้าใจคำว่าศรัทธาไหมศรัทธาแปลว่าเอ้เชื่อกับเรื่องสายเนี่ย อ, อันไหนเป็นศรัทธาอันไหนเป็นกิจของศรัทธาศรัทธาเกิดขึ้นคือเชื่อแล้วกิจของศรัทธาอยู่ตรงไหน เกิดข้ศรัท ธ, ธาอยู่ตรงนีง้คืออย่างนี้ตัวศรัท ธ, ธาเนี่ยมีความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อเป็นความเชื่อที่ดิ่งลงใช่ไหมสัทธะนะลัคนาแล้วก็วาโอกลปบนะลัคนานี่ก็คือมีความเชื่อที่มีเหตุผลตามความเป็นจริงส่วนความเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนั้นไม่เรียกว่าศรัท ธ, ธาเขาเรียกอธิโมก การปองใจเชื่อดื้อแม่นความงมงายข้อหนึงภาษาธานนราสาวาปักขันธนราสาเนี่ยมีความผ่องใสเป็นกิจผ่องใสในที่นี้มีความแล่นไปเป็นกิจมีสองอย่างนะผ่องใสผ่องใสเปียบเส ม, มือนแก้วมั น, นีที่ทําน้ําไม่ใสสะอาดเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ข่มนิวรนได้ไงข่มกามฉันท่พยาบาทีนะมิทาเป็นต้นได้ก็เลยผ่องกิตก็เลยปราศจากนิวรนก็เลยไม่ขุนมัวก็ผ่องใสทีนี้ พอเกิดผ่องใสแล้วปุ๊บเล่นไปเล่นไปสู่อะไรเล่นไปสู่ความเพียรสู่สติสู่สมาธิโดยเฉพาะเล่นไปหาปัญญาเข้ญญาใจไฮะไอศรัทธาจะไปเล่นไปสู่ปัญญาถ้าศรัทธาอย่างเดียวก่อนยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่โอเคนะยังไม่ปลอดภัยนะ ถ, ถ้าเล่นดิ่งไปร่วมกันกันกบปัญญาเมื่อไหร่ชัดไหมเนี่ยนั้นมีการไม่ขุนมัวเป็นอาการปรากฏก็คือมีอัธยาศาัยน้อมไปเป็นการปรากฏเมื่อศรัทธามีกําลังมากก็ทําให้สมยุติธรรม จตใจศกที่เกิดพร้อมกันจะชื่นบานในขณะที่ทํากุศล ต, ต่างๆให้ทานรักษาศีลเจริญโพน์อะไรเป็นเหตุใกล้พุทธคุณนมรมคุณสังฆคุณเนะืเป็นเหตุใกล้ในการที่ะระลึกนะมองเห็นยังนะตัวภาษาท่าศัทธาความเชื่อที่เกิดจากความเลื่อมใสโอกับปน่าัทธาความเชื่อที่ยั่งลงในวัตถุที่ควรเชื่อ มีตถาคตโพธิสัต t h เป็นต้นอจารสัทธาก็คือความเชื่อที่ไม่วันไหวไม่คลอนแคลนไม่กลับกรอกได้แก่ความเชื่อของพารียาบุคคลทั้งหลายเป็นต้นอันน้นก็ต้องพัฒนาไปถึงสรุปตรงนี้ก็คือที่บอกว่าสัต tha เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดคุณธรรม12บประการนะหนเมื่อเกิดสัทธาแล้วย่อมเข้าหาสัตว์บุรุษเมื่อเข้าหาสัตว์บุรุษแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้สัตว์บุรุษนั้น เมื่อเข้าไปนั่งใกล้สัตว์บุตรแล้วยอ่อมย่มเงี่ยสดลงมีจิตน้อมลงคําว่าเงี่ยสดก็คือมีจิตน้อมลงตอนนี้พวกเรามีไหมเนี่ยสามตัวนี้มีไหมมีไม่มีอจิตน้อมลงเมื่อเงี่ยสดลงแล้วจิตน้อมลงย่อมได้สดับธรรมะเมื่อได้สดับธรรมะแล้วย่อมทรงจําธรรมะนั้นไว้มีไหมพวกเราตัวนี้มีไหมจํำไหม เมื่อทรงจำธรรมนั้นแล้วย่อมไตรตรองเนื้อเนื้อความแห่งธรรมะนั้นเมือ่อไตรทอตรองเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ทมทั้งหลายย่อมทนต่อการตรวจสอบนั้นธรรมะบุริยจะทนต่อการตรวจสอบเพราะธรรมะยิ่งตรองยิ่งลึกย่อมเกิดชันทะโอ้โหเกิดความรักในธรรมะเป็นธรรมชันท ะ, เ ป, น ะ, นทะเป็นกุศลชันทะเป็นกัตตุกรรมยาตาชันทะ ปรารถนามีความรักความใยดีใยรู้ใยเรียนใยศึกษาเลยตอนนี้เมื่อเกิดฉันทะแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดอุตสาหะเกิดได้ยังตอนนี้ยพวกเราเกิดหมดนี่ยังคุณธรรมเหรอเนี่ยชันท้เกิดได้ยังเกิดไม่เกิดเกิดไม่ฉันทะเหตุผลที่เกิดฉันท้าไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ไตร่ตรองเนื้อความเหงิษธรรมะนั่นนะถ้าเราไตร่ตรองเนื้อความเหงิษธรรมะนั้นไตรตรองวิจัยแยกๆตลอดฉันท้จะเกิด เกิดไดยังันทะความรักในธรรมะรักในศีลสมาธิปัญญารักในพระรัตนตรยัยรักได้ยังความรักอย่างแรงกล้ารักในธรรมะรักในกามกับรักในธรรมะในรักมากกว่ากันอะไรทํำทางงๆเมื่อเกิดชันทะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดอุตสาหะบากบั่นแล้วเมื่ออุตสาหะแล้วก็ไตรสวนธรรมะนั่นนะเมื่อไตรสวนธรรมะนั้นแล้วก็ย่อมตั้งความเพียร ขณะที่กําลังตั้งความเพียรอยู่ย่อมทําปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยนามากายได้ใจนะแล้วก็ย่อมชํำระ ก, กิเลสคือเห็นปรมัตถสัจจานั้นได้ด้วยปัญญากลยจะถึงแล้วเนี่ยฟังทำเป็นอย่างนี้นะเอา้าศรัทธาเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เป็นเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการแห่งพัฒนาปัญญาที่ก้าวขึ้นจากขั้น ต้นที่สุดเลยท่านต้องมีก่อนศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยนีความเลื่อมใสความผ่องใสศรัทธาที่ประสงค์ต้องเป็นความเชื่อความทราบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุและผลก็แปลว่าต้องจะอาศัยปัญญารองรับและก็เป็นทางสืบทอดส่งต่อเข้าไปถึงปัญญาความรู้ชัดเนี่ยไม่แค่เพียงความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจโดยสิ้นเชิงโดยไม่ต้องถามเหตุผลไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นศรัทธาประเภทเป็นเอเวคะด้านเดียวไม่เอาไม่เอา เชื่ออย่างเดียวไม่เอาเหตุไม่เอาผลเนี่ยเขาเลยอเวคาไม่ได้เป็นไปในลักษณะอย่างนั้ น, นส่วนศรัทธาที่เป็นความรู้สึกควายอาเวคะด้านเดียวถือเป็นความเชื่อที่งม ง, งายเป็นสิ่งที่จะต้องละเสียแก้ไขถูกต้องมันก็ดีอยู่นะแต่ต้องแก้ไขนะด้านเดียวเนี่ยที่ไม่เอาเหตุเอาผลเลยเนะี่ยฉันเชื่ อ, องฉันแล้วฉันดิ่งใจเชื่ออะไรแล้วก็ปักหลักอยู่อย่างนั้นแหละเคยเป็นไหมโดยไม่เอาเหตุเอาผลเลยเชื่อฉันเชื่อของฉันอย่างนี้ ฉันนับถือฉันอย่างนี้เช่นเชื่อเครื่องรางของขลังก็เชื่อมัอย่างี้เชื่อเรื่องสารพระภูมิก็เชื่อปักอย่างนั้นแหะแต่ไม่เอาเหตุเอาผลอย่างอื่นเชื่อว่าจะปลูกบ้านจะต้องมีการทำพิธีก็เชื่ออย่างนั้นแหละเชื่อดวงดาวถ้าดวงดาวนี้มาแล้วชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ก็เชื่อปักอยู่ข้างเดียวอย่างนั้นเลเคยเป็นไหมอวัะด้านเดียวนี้ต้องแก้ไขไม่ความเชื่อแบบนี้ ความมงมงายไม่เอาเนี่นะตั้งมาพัฒนาให้เป็นศรัทธาที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่นํามาใช้ในกระบวนการแห่งการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ได้มากพอสมควรในระยะต้นแต่จะถูกปัญญาเข้ามาแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุดนะเขานะเขาก็จะไปเกิดร่วมกับปัญญาศรัทธาที่มุ่งหมายในกระบวนการแห่งพัฒนาปัญญานั้นอาจให้ความหมายว่าเป็นความทราบซึ้งด้วยมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนเองเห็น ก็คือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลว่าจุดหมายที่อยู่เบื้องหน้านั้นเป็นไปได้จริงที่แท้แล้วก็มีคุณค่าแก่การที่ตนเองจะดําเนินไปให้ถึงนี่เป็นศรัทธาที่เราใจอยากพิสูจน์ความจริงตามแนวทางเหตุผลที่ตนเองมองเห็นอยู่ในเบื้องหน้านั้น ต, ต่อต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นบันไดไต่เข้าสู่ความรู้นะเป็นการพัฒนาตนเองเข้าไปสู่ความเข้าไปสู่ปัญญาตรงกันข้ามกับความรู้สึกมอบใจไว้เป็นแบบอาวิคะเนี่ย ซึ่งทำให้หยุดหาเหตุผลอันนั้นเป็นเป็นศรัทธาที่ตีบตันไม่พัฒนาไปถึงปัญญานั้นต้องระวังทีนี้ควบคุมศรัทธาอยู่ในความหมายที่ถูกต้องก็คือหมวดธรรมะใดที่เป็นพุทธพจน์ถ้ามีศรัทธาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ต้องมีปัญญาเป็นต้นเหล่านี้นี่สังเกตดูนะว่าเออเนี่ยศรัทธาก็เลยเป็นไปเป็นว่าถ้าเรามองว่าปัญญากับศรัทธาอะไรสาคัญกว่ากันอะไรสาคัญกว่า ที่จริงอ่ยต้องระวังเนะื้อบางคนไปบอกว่าศรัท ธ, ธาปัญญาปัญญาเนะ่ยเข้าก็าเป็นทิฏฐินั้นอย่าให้ศรัท ธ, ธาเป็นกระบวนการพัฒนาไปสู่ความเห็นที่ผิดเป็นทิฏฐิขึ้นมาโอ้น้ากลัวเลยเลยพัฒนาไม่รอดเลยเลยเยอะหมดอนะคุณประโยชน์ของศรัท ธ, ธาหนึ่งในแนวหนึ่งศรัท ธ, ธาเป็นปัจจัยเกิดปิติเป็นปัจจัยเกิดปัจสุบัที่สุขและสมาธิเป็นไปเพื่อพัฒนาสู่ปัญญาในที่สุดใช่ไหม ศรัทธาเกิดขึ้นมาปุ๊บก็เป็นปัจจัยแก่ปราโมดปีติปัปะสิทธิสุขและสมาธิแล้วก็เป็นปัจจัยต่อยะถาภูใน ญ, ญาทัศนะท่าอย่างนี้ดีไม่ดีอีกแนวหนึ่งศรัทธาทําให้เกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติทดลองสิ่งที่เชื่อด้วยศรัทธาเห็นผลประจักษ์จริงแก่ตนเองก็นําไปสู่ปัญญาในที่สุดเช่นเดียวกันคุณประโยชน์ทั้งสองประการจะเห็นว่าแม้จะได้แรงส่งจากความรู้สึก ฝ่ายด้านเดียวนั่นแหละแต่ต้องมีความฝ่ายประสงค์เพื่อปัญญาแฝงอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างเงี้ยจะพัฒนาไปถึงปัญญาได้อย่างแท้จริงนะศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญาศรัทธาจึงต้องเสริมความคิดวิเคราะห์วิจัยก็เกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมายนั้นศรัทธาก็เลยมั่นคงแน่นแฝนยิ่งขึ้นเหตุผลที่ศรัทธามั่นคงแน่นแฝนยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะเพราะปัญญาเนี่ยเป็นตัวอย่างรากลึก ยิงรากลึกลงสู่พระรัตนไตร ย, ยิ่งได้เหตุผลมีความเชื่อมั่นก็พัฒนาไปถึงความเพียรสติสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาวิจัยแยกแยะเห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณเห็นพระเห็นพระปัญญาคุณเห็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเห็นพระมหากรุณาที่คุณชัดขึ้นโอ้โหปัญญาทั้งนั้นเลยความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคล ถูกหรือว่ามีข้อเสียข้อบอกพร่องแม้แต่ความเชื่อติดในองค์ของพระศาสดาพระเจ้าก็ทรงสอนให้ละเพราะเป็นศรัทธาที่แรงด้วยการรู้สึกทางอเวคกับกลายเป็นอุปสรรคต่ อ, อการหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในขั้นสุดท้ายด้วยเห็นไหมนี่ต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปนึกขึ้นในองค์ของพระรจ้าที่เป็นรูปัคัเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเนี่ยจะศรัทธาไห้ศรัทธา แต่ถ้าไปติดอย่างนั้นอย่างเดียวขึ้นมาดิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวขึ้นมาหนักเข้าไม่ไ ม, ไม่แยกไม่ออกเพราะไม่พัฒนาไปถึงปัญญาอย่างทุกวันเนี่ยคนบางคนไปไหว้พระพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าเช่นว่าพระพุทธเมตตาโอ้ยงามจริงๆริงบกวางั้นนะพอไปที่จังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินราชโอยงามมาก ไปวัดไตรมิตรหลวงพ่อทองไปวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดไร่ขิงไปวัดโซทรหลวงพ่อวัดโซทอนเนี่ยไปก็งามจริงๆองค์อื่นเลยไม่ไดเป็นไงถามว่าพระพุทธเจ้าหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโซทรเนี่ยกับเนี่ยองค์เดียวกันหรือเปล่าองค์เดียวกันหรือเปล่าองค์เดียวกันไหมองค์เดียวกันไหมแล้วรู้สึกเท่ากันไหม เวลาท่านไปที่เคยไปที่หลวงพอวัดสะตอนไหมเคยไปกราบไหมวัดระคิงเคยไปกราบไหมแล้วก็กราบอง์เนี้ศรัทธาเท่ากันไหมเท่าไม่เท่านี่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าศรัทธาติดอง์เขาใจะยังเอาเอกะมันด้านเดียว ต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะเกิดศรัทธาในความเข้าใจของเราเป็นไหมยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมเป็นไหมเป็นศรัทธาเท่ากันเลยอ๋อก็ทำบ่อยๆสิทำใ ห, ให้เกิดติดต่อต่อเนื่องได้ไหมให้ศรัทธาตลอด เป็นไปกับปัญญาเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหามากมนุษย์ที่พัฒนายังไม่ไม่ถึงแล้วไปแยกว่าเป็นทั้งๆ ท, ท, ที่พระเจ้าองค์เดียวกันนี่เลยแต่แม้มีความรู้สึกต่างกันขึ้นมาไหว้พระในห้องโอ้ยไม่ปีติโน้แล้ต้องไปนีไปไหว้ตรงนั้นไปไหว้ตรงนี้เนี่ยความไม่เข้าใจตรงนี้ทํำยังไงเอาตัวเรานี่แหละไม่ต้องเป็นตัวอมคนอื่น เรมองเอห็นนี้อย่างนี้ติดบุคคลอย่างนี้ก็ติดองค์ต้องไปเจริญกุศลทีโนนทีนีไอ้ตรงนี้เจริญไม่ได้บรรยากาศไม่ให้โอ้โหมองออย่างใดนีน้เอาศรัทธาไม่ถูกจัดเป็นองค์มากนะพะตัวการที่จะ ที่จำเป็นสําหรับการก้าวหน้าต่อไปในมรรคนั้นก็คือปัญญานีที่พ่วงกับศรัทธาต่างหากจากการที่มีศรัทธานี่แหละต้องมีปัญญารองรับอยู่ด้วยก็เลยเมื่อพูดถึงปัญญาปุ๊บพระพุทธเจ้าพระปเจพระเจ้าทรงเริ่มมรรคที่ตัวปัญญานี่แหละไม่ผ่านศรัทธาเพราะการสร้างปัญญาไม่จําเป็นต้องเริ่มที่ศรัทธาเสมอไปเริ่มที่โยนิโสก็ได้เหตุที่เรื่องศรัทธาท่าน ซอนแฝงไว้โดยการสร้างสมาทิที่จัดแยกไว้ต่างหากเดินแม้ศรัทธาที่พ้นจากความเป็นความเชื่อง农民 ง, งานนั่นเองถ้าไม่ดําเนินต่อไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติพิสูจน์ได้เห็นตามจริงประจักษ์ด้วยตนเองก็ไม่นับว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องเป็นศรัทธาที่ยังเป็นอันตรายอยู่เนะาะจะเป็นการปฏิบัติผิดพลาดเป็นการปฏิบัติอย่างคาดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงศรัทธามีคุณประโยชน์สําคัญนะแต่ในขั้นสูงสุดศรัาทธาจะต้องหมดไปถ้ายังมีศรัทธาอยู่แสดงว่า ยังไม่ถึงจุดหมายอันนั้นพูดถึงในเรื่องของสูงสุดแล้อย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เป็นอยู่ด้วยปัญญาชัดเลยแต่ตอนนี้ถ้าทิ้งศรัทธาเมื่อไหร่ละจมเลยห้ามทิ้งเด็ดขาดนี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนจะข้ามโอคะไม่ได้เลยกาโอคาพระโอคาที่โถคาเน่ยมด้วยศรัทธาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นจาก คนทุกได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาก็สมควรแก่วเวลาแล้วมะมีอะไรจะทำมั้ยยังไม่มีงั้นวพวกเราก็ต้องพัฒนากันต่อไปในการที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจให้กระจ่างชัดขึ้นะสมควรแก่วเวลาเดี๋ยวไปต่อกันบ่าย